ทางกองบินที่23กํากำหนดการจัดงานสมโพธพระพุทธณภาดุลยาศาสดาอากาศนาวามงคลครบรอบ25บปีประจำปีพุทธศักราช2557ณบริเวณวิหารพุทธณภา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 ที่ผ่านๆมาปีสองปีก็เป็นที่รู้กันบอบช้ำพอสมควรแต่บัดนี้ก็ามาถึงพวกเราท่านทั้งหลายก็ช่วยกันดูแลพัฒนาให้แข้มแข็งสิ่งไหนที่จะเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติาต่อชาติบ้านเมืองก็ขอให้พวกเราทุกๆท่านเคียงบ่าเคียงไหลเพื่อปกป้องประเทศชาติให้ชาติไทยของเรา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 เอาตอนนี้ไปพระสงฆ์เจ้านโมทนาให้พรนะตีนเนาะให้พวกเราอุทิศ ส, ส่วนกุศลไอ้พวกเราอุทิศ ส, ส่วนกุศลคำว่าอุทิศ ส, ส่วนกุศลคํานี้ก็คือในหลักของพระพุทธศาสนาท่านบอกว่าการอุทิศ ส, ส่วนกุศลคืออย่างตระกูลของเราหลือครอบครัวของเราเนี่ยวะ